วันนี้มีรถตู้หลายสายเชียงใหม่ก้อนแก่นลาวเรามากี่คนเก้าใคนหรอือนลาวนี่เก่งนะนั่งรถมาไกลไกลเดือนมิถุนาหลวงพ่อที่พิเทศทีท่เมืองลาว ยมหายใจนะหายใจไปรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติการลืมตัวเองหรือการกดข่มบังคับกายบังคับใจตัวเองไม่ใช่ทางทางอยู่ที่รู้สึกตัวไม่ย่อหย่อนไปคือลืมตัวเอง ไม่ตึงเกินไปคือบังคับตัวเองความรู้สึกตัวเนี่ยพาเราเข้าสู่ทางสายกลางไม่หย่อนไปไม่ตึงไปถ้าหย่อนไปก็ขี้เกียจขี้คลานหลงโลกตึงเกินไปก็เคร่งเครียดใจไม่มีความสงบสุขหย่อนใจฟุ้งซ่านก็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ ตึงไปใจเคร่งเครียดไม่มีความสงบสุขก็ เ, ขเดินปัญญาไม่ได้จิตใจที่จะเดินปัญญาได้มันจิตใจธรรมดาจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจนี้ดีที่สุดจิตของมนุษย์ธรรมดาแต่ของเราไม่ค่อยมีจิตมนุษย์นะทั้าที่ตัวเราเป็นมนุษย์ เวลาเราใจเราฟุ้งฟุงเผลอเลอไปแล้วมีจิตเดรัจฉานจิตเดรัจฉานเนี่ยมันลืมเนื้อลืมตัวเมอเมอๆลอยอยไปทีก็มีจิตโหงสันนิโรธเวลาที่เรามีความทุกข์เยอะๆทีก็เป็นจิตหงเปรต เ, ปเวลาเรากังวลเรากลัวเราไม่สบายใจหรือเราเซลจัดเนี่ยม จิตของอสุรกายเนี่ยจิตดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดานี่จิตรู้เนื้อรู้ตัวอย่าปล่อยให้กิเลสมันครอบงาถ้าปล่อยให้กิเลสครอบงาจิต ท, ที่ดีก็หายไปแต่เป็นจิต ท, ที่ไม่ได้เรื่องขึ้นมาถูกความโกรธครอบงำแล้วเป็นจิตของสันนรกอย่างเงี้ยถูกความโลภครอบงำก็เป็นจิตของเปลด พยายามให้มันเป็นมนุษย์ไว้มีสติรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆกิเลสไม่ได้มาที่อื่นกิเลสมาที่ใจที่เดียวยันมีสติรู้เท่าทันใจของเราไปใจเราโลภขึ้มารู้ทันทันทีที่รู้ว่าโลภความโลภจะดับอัตโนมัติความโลภเป็นกิเลสเกิดร่วมกับสติไม่ได้ เวลามันโกรธขึ้นมามีสติรู้ว่าโกรธไม่ต้องไปหาทางละมันนะมีสติรู้ว่าโกรธเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นกิเลสจะดับไปเองเวลามันโลภโกรธหลงอะไรเนะี่ยรู้ทันไปกิเลสมีไม่มากเท่าไหรนะ่ก็มีโลภโกรธหลงหลักๆแต่ละตัวก็แตกย่อยๆออกไปเยอะแยะมีลูกมีหลาน ยตัวโกรธเนี่ยตัวโทสะเป็นความไม่แช่มชื่นใจนะมันเศร้าหมองแบบไม่แช่มชื่นก็มีลูกมีหลานหลายตัวอย่างอิจฉาเวลาเราอิจฉาเนะี่ยไม่แช่มชื่นใจรู้สึกไหมหรืออิจฉาเราชื่นใจวิปลาสแล้วถั้นเวลาเบือ่อเวลาเซิงเนะนี่ยเป็นตระกูลโทสะนะ กังวลใจมีความกังวลใจไม่ช่มชื่นเมื่อไหร่ใจไม่ช่มชื่ น, จ, นจิตมีโทสะเมื่อไหร่ใจช่มชื่นต้องดูถ้ามีสติกนะ็เป็นกุศลถ้าใจช่มชื่นแล้วขาดสติเพล้ยเพลเพินเพลินก็เป็นโลภะอะ่างนะค่อยๆสังเกตแต่ถ้าเมื่อไหร่ลืมเน้อลืมตัวเวันนั้นมีโมหะ รู้จักใจลอยไหมรู้จักเมื่อเมือไหมนั่นแหโมหะรู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านก็พวกโมหะเวลาเราฟุ้งซ่านเราจะรู้สภาวะไม่ได้สับสนดูอะไรไม่ออกนะสภาวะที่ดูอะไรไม่ออกมันสภาวะของโมหะเวลาโกรธรู้ว่าโกรธไหมโกรธูง่ายใช่ไหมกำลังโกรธแต่ปล่อยให้มันครอบใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้ แต่เวลาหลงเพลินๆไปไม่รู้ว่าหลงอะ่ะดูยากโมหะเนี่ยพยายามดูไปนะกิเลสนี่อยู่สามตัวเองโลภโกรดหลงโลภก็คือสภาวะที่พยายามดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวเองโกรดก็คือสภาวะที่ผลักอารมณ์ออกไปจากตัวเองหลงก็คือสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเป็นเรื่องจิตกับอารมณ์ทั้งหมดเลย โกรธเนี่ยเห็นสภาวะที่ปฏิเสธอารมณ์ที่กำลังปรากฏอย่างเราเห็นหน้าคนที้เราเกลียดเนี้ยเราอยากให้มันหายไปจากโลกหรืออยากให้มันไปให้พ้นหน้าเราเนี่ยตรกูลโทสะมันจะผลักอารมณ์ออกไปตรกูลโลภะหรือราคะมันจะดึงอารมณ์เข้ามาอย่างเราชอบแมวสักตัวตอยากจะไปอุ้มมันดึงเขาหางตัวตระกูลโมหะหลงฟุ้งซ่านจับอารมณ์ไม่ถูก ไม่รู้ว่าตอนนี้จิตใจตัวเองเป็นยังไงนะอนากยกิเลสมีแค่นี้เดี๋ยวก็ดึงข้าเดี๋ยวก็ผลักออกนะเดี๋ยวก็หมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาไม่รู้ว่าจะดึงหรือจะผลักดีสังเกตดยที่ใจนะเวลาเราจะผลักอะไรเนี่ยเราต้องเข้าไปจับก่อนใช่ไหมอย่างหลวงพ่อจะผลักไมโครโฟนต้องยึดไมโครโฟนไว้ก่อน อยู่เฉยๆไม่ไปยึดมันแล้วปักมันไม่ได้โลภก็ต้องไปหยิบมันมาะโกโรธก็ต้องไปสัมผัสมันไปดันมันออกไปหลงจะจับไมโครโฟนแล้วใจหนีไปที่อื่นแล้วกิเลสมันก็มีแค่สามตัวนี้แหละะแตกลูกแตกหลานออกไปเราก็มีสติคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เท่าทันไป ไม่ใช่เรื่องยากรู้จักโกรธไหมใครๆก็รู้จักใครไม่เคยโกรธมีไหมตลวงพ่อเคยเจอนะบอกเขาไม่เคยโกรธเลยทำตาโปนนะไม่เคยหลงนี่ไม่เคยหลงเลยเห็นแล้วสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมนะมันดูมัมยออกเลยกำลังหลงอยู่ หัดรู้ไปรู้ปใจเราโกรธขึ้นมาก็รู้ใจเราโลภขึ้นมาก็รู้นะใจเราหลงไปฟุ้งซ่านไปก็รู้ใจเราหดหูก็รู้นะใครรู้ไปใครรู้เท่าทันนะไม่ได้ยากอะไรหรอกรู้บ่อยๆที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากพวกเราสามารถปฏิบัติได้นะ แต่ที่ปฏิบัติไม่ได้สติเพราะไม่ปฏิบัติวันๆนะมัวแตสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจจิตใจตัวเองถ้าสนใจจิตใจตัวเองจะไปยากอะไรไค่อยรู้เท่าทันใจของเราเองโกรธเราก็รู้จักโลภเราก็รู้จักใช่ไหมฟุ้งซ่านโหดหูรู้จักซะแล้วอิจฉาพยาบาท พยาบาทก็โทษะนะเวลาพยาบาทใครเนี่ยไม่สบายใจสังเกตใจไปเรื่อยๆทุกคนรู้จักทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านี้เองแต่ไปนี่อย่าละเลยคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองบ่อยๆรู้ไปแล้วตัดไปพอจิเลยอะไรเกิดขึ้นในใจจะเล็กๆน้อยๆนะก็มองเห็น เรามองเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นกิเลสจะครอบงาใจเราไม่ได้กิเลสจะกระเด็นหายไปจากใจเราทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรจะไปเองหลุดออกไปงนง่ายๆแค่นี้แหละพอรู้ไปพะจิตใจไม่มีกิเลสนะจิตใจแล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็เราก็ใช้จิตใจอย่างนี้มาเจริญปัญญาต่อวิธีจเจริญปัญญาทำไงเดี๋ยวก็เห็นเนอะ กิเลสก็มาอีกแล้วเดี๋ยวกิเลสก็มาเดี๋ยวกิเลสก็ไปเดี๋ยวกุศลก็มาเดี๋ยวกุศลก็ไปเดี๋ยวความสุขก็มาเดี๋ยวความสุขก็ไปนะเดี๋ยวความทุกข์ก็มาความทุกข์ก็ไปเดี๋ยวก็เฉยๆความเฉยๆมาแล้วก็ไปเนี่คือการเจริญปัญญาเฝ้ารู้อยู่ที่ใจของเราตอบไปเลยเดินปัญญาอยู่ในใจนี้แหละง่ายดีเป็นวิธีปฏิบัติ ที่เหมอะแบบคนยุคนี้ถ้าเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนหรือห้าสิบกสิปีก่อนเนีกรรมฐานที่เหมานะคือการดูกายเข้าฌานก่อนทำฌานออกจากฌานมาแล้วมาดูร่างกายทําทำงานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาสองอย่างเนี้ยเวทนาคือดูความสุขทุกข์ กายานุปัสนาเวทนานุปัสนาเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานนะเหมาะกับสมถะญาณิกจิตานุปัสนากระมาณุปัสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสนาญาณิกคือคนที่ไม่มีฌานแบบพวกเราเนี่แหละเจริญปัญญาด้วยการดูรูปนามนะถ้าดูรูปนามมันก็คือจเจริญธรรมานุปัสนาะถ้าดูกุศลกุศลที่เกิดในใจนะเรียกว่าจิตานุปัสนา คู่นี้เหมาะกับคนที่ไม่ได้ฌานคนอย่างพวกเราเนี่ยคนสมัยก่อนมีเวลาว่างเยอะทามาหากินอย่างทำนาอย่างเงี้ยปีหนึ่งทานาไม่กี่เดือนฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จแล้วก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จแล้วก็รอให้ข้าวโตน้ำไม่มีก็ไปไขน้ำเข้านาน้ำมากไปก็เอาน้ำออกจากนา มีทํางานอยู่อย่างเงี้ยมีปูมีหนูอะไรก็ไปสู้กับมันก็ข้าวออกรวงหรือ เ, เกี่ยวข้าว เ, เกี่ยวข้าวเสร็จหมดธุระละสมัยก่อนเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยว่างงานแล้ตลอดฤดูร้อนรอฝนตกครั้งใหม่เนี่ยว่างตั้งหลายเดือนโชคที่ว่างเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็ไปกัดปลาตีไก่ผู้ชายนะเรื่องชั่วๆเนี่ยถนัด การตัดตีไก่กผู้หญิงไว้ทอผ้าอะไรเงี้ยมีงานทำได้ประโยชน์ว่างหลายเดือนถ้าคนที่สนใจธรรมะนะมีเวลาภาวนายเยอะเยอะกว่าพระหนึ่งพัาอีกเพราะตั้งหลายเดือนตั้งแต่ฤดูแล้งตลอดฤดูแล้งรู้จกักรู้ฤดูแล้งไหมเดี๋ยวนี้เริ่มไม่รู้จกักรู้ฤดูแล้งรู้แต่ฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาว สมัยก่อนมีคำ ว, ว่ารดูแลงคือเป็นช่วแงแห้งแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ำนะอัฐคัดขา ด, ขา ด, ขาดแคลนอาหารการกินไม่ค่อยมีกระทั่งในคลองเขาแหง้งปลาก็ไม่มีอดอดอยากกันเนี่ยชีวิตสมัยโบราณนะชีวิตความเป็นอยู่ลําบากของที่จะอยู่ที่จะกินที่จะใช้ไม่ค่อยมีแต่มีเวลาเยอะ มีเวลาภาวนาอย่างพวกเราทุกวันนี้มีของกินของใช้เยอะแยะเลยมีของให้ซื้อจนซื้อไม่ไหวทํางานหนึ่งที่ไม่พอจะใช้ไม่พอจะซื้อมันทํางานหลายๆที่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ยุคนี้ทํางานสามสี่ที่นะแต่ละคนบางคนก็จะได้รวยมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆแต่ไม่มีเวลาใช้เงินเลยน่าสงสารซื้อบ้านใหญ่ๆไม่ได้อยู่บ้านทำแต่ ง, งาน กลับมาบ้านก็สุกหัวนอ น, นหมดแรงชีวิตรุ่นนี้เครียดจะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบนะ่ยยากยากมาก น, นกรรมาฐานที่เหมาะกับคนรุ่นเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตในเมืองไม่ใช่คนในสังคมเกษตรแบบรุ่นโบราณเนปะ็นคนเมืองหลวงปูดนลเคยบอกเมื่อสามสิบปีก่อน ท่านบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองนะเดี๋ยวนี้รุ่งเรืองแล้วเพราะว่าทำกรรมฐานด้วยการดูจิตมันทาได้จริงนะแต่ทำกรรมฐานด้วยการดูกายเนี่ยต้องไปเข้าฌานมันไม่ได้เข้าสักทีเข้าไม่ไหวใจเนี่ยวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาฉั้นทำยากนะกรรมฐานที่เหมาะคนรุ่นเรา จอมฟุ้งซ่านทั้งหลายเนี่ยคือดูใจของตัวเองไปเลยใจฟุ้งซ่านรู้ทันใจสงบรู้ทันใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายรู้ไปเรื่อยๆจะไปยากอะไรคอยรู้ทันไปเรื่อยๆสุดท้ายใจจะค่อยๆสงบขึ้นสงบเองเพราะว่ากิเลสครอบงาใจไม่ได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความโกรธความโกรธก็ดับไปใจก็สงบ ไม่เต้นเร่าๆไปด้วยอำนาจของความโกรธเวลาความโลภเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโลภมันก็เด็นหายไปใจเราก็ไม่ดิ้นเร่าๆไปเพราะความโลภใจมันสบายเพราะฉะนั้นสมาธิมันเกิดเองสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปนั่งเข้าฌานหรอกสมาธิจะเกิดโดยอัตโนมัติอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิ การภาวนามีสามแบบหลักๆนะใช้สมาธินำปัญญาเหมือนสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ทำเข้าสมาธิออกจากสมาธิมาดูกายหรนะดูเวทนาใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิเย่างการดูจิตเนี่ยเป็นการใช้ปัญญานำสมาธิดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยแล้วสมาธิเกิดเองนะไม่ต้องดิ้นรนให้เกิด พอดิ้นยังไงมันก็ไม่เกิดหรอกไม่มีปัญญาธรทรำใจมันฟุง้งมากครยรู้ทันกิเลสไปนะ้วพอกิเลสมันดับไปสมาธิมันก็เกิดเองจิตมันไม่ฟุ้งสร้างง่ายๆอีกวิธีหนึ่งเนี่ยใช้สมาธิกับปัญญาควบกันคือเจริญปัญญาในฌานคนที่จะเจริญปัญญาในฌานได้ต้องมีคุณสมบัติสองข้อ ข้อหนึ่งชำนาญในฌานมีวัตสีในฌานนึกจะเข้าก็เข้าได้นึกจะทรงอยู่ก็ทรงได้ทรงฌานอยู่นึกจะเจริญปัญญาในฌานก็ทำได้นึกจะออกจากฌานก็ทำได้มีความชำนาญสี่ข้อชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานชำนาญในการออกจากฌานต้องชำนาญนะตอนออก ออกไม่ชํานาญนี้บางทีปวดหัวไปเลยปวดหัวเป็นวันๆเลยนั่นถอนจิตพลวดออกมาเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าชํานาญนะั้นมีคลีลาในการถอนไม่ได้ใช้เวลาเยอะหรอกอยู่ที่ความชํานาญแต่ถ้าไม่ชํานาญเนี่ยกว่าจะถอนได้เนี่ยต้องใช้เวลาไม่งั้นปวดหัวปวดแทบแตกเลยถ้าจะเจริญปัญญาในฌานแรกต้องชนานาญในฌาน ถ้าไม่มีฌานจะไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้ง่ายๆแค่นี้เองเหตุผลอีกการหนึ่งที่ต้องชำนาญคือชำนาญในการดูจิตชำนาญในการดูกายเนี่ยไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้เพอาเวลาเจริญปัญญาในฌานเนี่ยเราจะดูองค์ฌานะเช่นเห็นปิติเกิดขึ้นมาปิติตั้งอยู่ปิติดับไปเห็นความสุขเกิดขึ้นมานะความสุข ตั้งอยู่ความสุขดับไปเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปดูองชานโดยเห็นจิตมันเกิดวิตกวิจารณขึ้นมาอีกแล้วจิตมเข้าไปจับอารมณ์ความมัานไปเข้าเคลียกัอารมณ์ความมัานอันนี้เรียกวิโตวิจารเพราะฉะนั น, เ ป, นเป็นการรู้นา ม, มาทำคนที่จะ จเจริญปัญญาในฌานได้นอกจากชํา น, นาญในฌานนะต้องชํานาญในการดูจิตไม่มีกายให้ดูหรอกยิ่งเข้าฌานสูงขึ้นไปร่างกายหายไปเลยไม่มีกายเหลือแต่จิตพวกเราดูจิตได้แต่พวกเราเข้าฌานไม่เป็นพราะะเราต้องเลือกสิ่งที่เราทําได้เข้าฌานไม่เป็นเนี่ยจะไปทําสมาธิก่อนแนละ้วมาจเจริญปัญญาใช้ สมาธินำปัญญาทำไม่ได้เราเข้าสมาธิไม่ได้จะเจริญสมาธิกับปัญญาควบกันก็ทำไม่ได้เขาทำสมาธิไม่ได้ไม่มีทางให้เลือกมีอย่างเดียวนะคือเจริญปัญญานำสมาธิไปเวลาที่เรารู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนะสมาธิจะเกิดเองสมาธิจะเกิดเองอันนี้ในปริยัตก็สอนหลวงปูดุลก็สอน ครั้งหนึ่งหลงพ่อเปียกฝนก็เปียกฝนนะใจมันกังวลว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดแล้วม่เห็นว่าใจกังวลพอเห็นความกังวลความกังวลดับวับลงไปเลยความกังวลขาดสะบั้นลงไปพายุกาลังมานะฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงแผ่นดินกระเทือนอย่นี้จิตมันรวมลงไปนะโลกธาตุนี้หายไปไม่มีโลก เพราะไม่มีพายุไม่มีฝนไม่มีอะไรไม่มีฟ้าผ่าฟ้าร้องนะร่างกายนี้ก็หายไปเนะหลือแต่จิตดวงเดียวนะดูจิตอยู่ดีๆนะดูจิตกังวลนะพอความกัวนดับปับ๊บจิตมันรวมเข้ามาเองเนี่ยสมาธิเกิดเองไม่ได้เข้าชงเข้าฌานอะไรสมาธิเกิดเองนะเกิดถึงขนาดที่โลกธาตุดับไปเลยนะไปเล่าถวายหลวงปู่ดูลบุกผมภาวนาดูจิตอยู่ จิตมันก็เคลืมเคลืมลงไปเอย่างเล่าไม่ละเอียดเลยว่าโลกธาตุดับอะไรไม่ได้เล่าเลยพูดท่านคำสองคำท่านรู้เรื่องหมดล้วรู้เยอะกว่าเราอีกท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็เฉียงหลวงปู่หลวงปู่ครับผมไม่ได้เข้าฌานนะผมดูจิตอยู่หลวงปู่ดูลบอกว่าการดูจิตนั้นได้ฌานอัตโนมัติไหม งั้นเราจเจริญปัญญาไปดูจิตมันทํางานไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ฌานอตโนมัติอย่างต่านะําปฐมฌานอย่างสูงได้ฌานที่แปดเนว่าสัญญาณาสัญญาญตนะแล้วแต่กําลังของสมาธิที่เกิดขึ้นแต่อย่างต่าเป็นปฐมฌานพราะเราจเจริญปัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยนะปะสีนสมาธิปัญญาเราดีขึ้นดีขึ้นนะตอนที่อริยามรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะเข้าฌานจิต เวลาเกิดอรียมากจะเกิดในฌานเท่านั้นนะไม่เกิดตอนอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้จิตอย่างนี้อยู่ในกามไม่มีกำลังจิตจะเข้าฌานของจิตเองมันไม่ต้องกลัวถึงวันหนึ่งพวกเราก็เข้าได้แต่ จ, จะไม่เก่งไม่ชำนาญเท่าพวกที่เขาเล่นฌานโดยตรงพวก เ, เล่นฌานโดยตรงนะกว่าจะเจริญปัญญาได้ไม่ใช่ง่ายนะเข้าฌานกันฝึกกันหลายๆปี พอฝึกกันหลายปีแล้วก็จะมาเจริญปัญญาเนี่ยจิตไม่ค่อยยอมเจริญปัญญาจิตมันติดความสุขความสงบของสมาธิไปอ่านประวัติหลวงปู่มั่น่ประวัติหลวงตามหาบัวที่ท่านเขียนไว้เองอ่ะท่านเล่าว่าตอนท่านไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นะท่านพุโทโธตอนเช้าหลวงปู่มั่นก็ถามท่านว่าท่านมหาจิตเป็นยังไงบอกจิตสงบครับทุกวันตอบคําว่าจิตสงบ รู้สึกภูมิใจนะว่าจิตสงบได้ตลอดเลยหลายวันเข้าหลวงปู่มั่นว่าว่าทําไมไม่เจริญปัญญาสงบอยู่เฉยๆมันจะได้อะไรกิเลสไม่กลัวจิตสงบนะกิเลสกลัวปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องทําลายล้างกิเลสส่วนสมาธิเป็นเครื่องทําให้จิตนอนแช่อยู่กับกิเลสถูกดุถ้านี็เลยบอกว่าเอาใหม่คราวนี้จ ะ, จ ะ, จะเจริญปัญญา จิตมันติดสมาธิท่านเล่าบจิตมันติดสมาธิพอจะถอนจิตออกมาเดินปัญญาเนี่ยมาดูกายพิจรารณาร่างกายอย่างผมคนเล็บฝันหังเนี่ยจิตเริ่มพิจารณาปุ๊บจิตทิท้งการพิจารณากลับเข้าไปรวมสงบใหม่บอกโอ้ยสู้นานนะกว่าจะตึงจิตออกมาทํางานได้พาดึงจิตออกมาทํางานพิจรารณาร่างกายได้แนละ้วตอนเช้าหลวงผู่มั่นถามท่านก็ด้ตอบว่าจเจริญปัญญาอยู่ บทุกวันมันมีแต่ปัญญาปัญญาปัญญานะที่แรกหลวงปู่มั่นก็บรินดีดีพอนานนานเข้านะ่ะท่านบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วไม่มีสมาธิจะไปเจริญปัญญาได้ไงเวลาที่เจริญปัญญาสมาธิมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆก็ต้องกลับไปทำสมาธิใหม่ท่านบอกว่าตอนที่จะเจริญปัญญาจะกลับไปทำสมาธิใหม่ก็ยากนะเพราะจิตเคยชินกับการเดินปัญญาแล้ว พอจะมาพุโทโธคำสองคาเท่านั้นจิตกระโดดกลับมาพิจรารณาร่างกายอีกแล้วเนี่ยท่านบอกต้องฝืนมากเลยกว่าจิตจะยอมพักเนี่ยถ้าเดินในสายนั้นนะลำบากอย่างเงี้ยเดินในสายที่พวกเราเดินเนี่ยใช้ปัญญานำสมาธิคอยรู้ทันเข้าไปเลยอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นกับจิตใจคอยรู้ไปเรื่อยเรื่รู้บ่อยๆหน่อย อย่านานๆรู้ทีสามวันรู้ทีเจ็ดวันรู้ที่มักน้อยสันโดษเกินไปเรียกสันดานไม่ใช่สันโดษหรอกสันดานขี้เกียจขี้คลานใช้ไม่ได้เงิ้พยายามเตือนตัวเองคอยรู้คอยดูเรื่อยๆนะแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากหรอกถึงจุดหนึ่งจิตจะเข้าฌานแล้วก็เกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นเองไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยมรกได้นะจิตเกิดเอง เมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราเต็มที่ศีล ส, สมาธิปัญญาจะทําได้เนี่ยมีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆก็มีสติรักษาจิตอยู่กิเลสอะไเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสครอบจิตไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นอัตโนมัติจิตใจมันฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทานจิตไม่จะตั้งมั่นสงบสมาธิจะเกิดโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะเห็นจิตเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุก จิต น, นี้เกิดดับตลอดเวลาสุดท้ายปัญญาตโนมัติก็เกิดศีล ส, สมาธิปัญญามันเกิดด้วยสติที่คอยรู้ทันจิต น, นี่แหละสุดท้ายอาริยมรรคก็เกิดไม่ใช่เรื่องยากทําทำได้สามเส้นทางนะแต่ปฏิบัติไม่ใช่มีเส้นเดียวมันต้องเข้าฌานก่อนไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาแตกฌานในธรรมะไม่มีใครเสมอเหมือนท่านสอนธรรมะไว้ถูกรูปแบบ ที่เป็นประโยชน์เนะฉะั้นเราก็ดูเราทําอะไรได้ลราก็เอาวันนั้นแหละไม่ต้องไปดิ้นรนมันกเข้าฌานไม่ได้ต้องไปเข้าฌานสะก่อนฌานหน้าก็ยังไม่ได้เลยฌานนี้ฝึกกันหลายชาตินะไม่ใช่ฝึกกันแป๊บๆนะคนที่เข้าฌานได้เนี่ยฝึกกันมาหลายชาติแนละ้วกว่าจะเข้าได้แต่ฌานเสื่อมนี่ง่ายมากเลยอย่างฤาษีเข้าฌานได้นะเหาะไปในอากาศ แบชำเลืองลืมตาดูไประยะระยะดูสิออกนอกเส้นทางหรือเปล่าลืมตาขึ้นมาพอดีผ่านพระราชวังเห็นพวกนางสนมกำนันนะกำลังเล่นน้ำอยู่ฤาษีมองเฮ้ยนะตาโตหนะล่นตุ๊บลงมาซี่โครงหักเลยหนะล่นลงมาในวังน่นเองเนี่ยฌานฝึกยากเสื่อมง่ายรักษายาก งั้นไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกเอาที่เราทำได้มีปัญญาดูไปเลยเอาไปกินข้าวไปกินข้าวก็ดูจิตไปด้วยนะ